ขอความสุขความเจริญทุะท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งํำจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมได้นำเสนอพระสูตรจากพระกรัรมพีอุทานสืบต่อกันมาโดยลำดับก็วันนี้ก็จะจบละก็แสดงว่านำท่านผู้ฟังศึกษาพระไตยปิดกจบไปหนึ่งเล่มเลยแล้วก็ะดึงคมภีนะครับเพราะว่า คำพิุทธานีอยู่เล่นเดียวแล้วก็ศึกษากันมาตามลาดับค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นพุทธอุทานซึ่งเกิดขึ้นจากสมัสยานของพระพุทธเจ้าและเรื่องทั้งหลายจึงยกระดับขึ้นไปอยู่ในเาเรียกว่าระดับสมาธิกับปัญญาเนี่ยค่อนข้างมากแต่ในความเป็นสมาธิกับปัญญามันก็มีศีลอยู่ แล้วก็บางช่วงบางตอนก็ได้นำข้อความในอัตกถามาเสริมเพื่อเกิดความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะในการศึกษาธรรมะจริงๆถ้าเราตั้งใจหน่อยในภาคของการปฏิบัติเนี่ยที่จริงเราจับตรงไหนก็ได้ให้ได้สักข้อหนึ่งแล้วกระบวนการธรรมะเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เขาเอง เพราะว่าธารรมะแต่ละข้อเนี่ยมันทำลายโลกกดหลงท้งนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นศีลข้อปานาติบาตคือเราเห็นว่าการงดเว้นได้เนี่ยคนต้องเห็นโทษของการฆ่าสัตว์และเห็นคุณของการไม่ฆ่าสัตว์ก็แสดงมันขจัดโมหะได้ระดับหนึ่งระดับที่คิดเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ ทีนี้การฆ่าสัตว์บางครั้งมันฆ่าพระโกรธนะบางครั้งฆ่าฆ่าพระโลภ ก, ก็ส่วนใหญ่จะฆ่าพระโลภเมื่อกันที่เราไม่ฆ่าได้เนี่ยก็แสดงว่าเราลดความโลภได้ทีนี้ในบางกรณีมันฆ่าพระโกรธเราไม่ฆ่าก็แสดงว่าเราลดความโกรธได้ก็หมายความว่าในความเป็นปานาธิบาตเองมันก็ละได้ทั้ ง, ท, งทั้งโลกโลกรธลง อธินาทนานเองก็มีลักษณะอย่างนั้นให้เราสังเกตว่าอธินาทานมั น, นมก็มีก็มีสามเรื่องคือเราต้องเห็นโทษของการรักขมโมยและเห็นคุณของการงดเว้นจากการรักขมโมยในขณะเดียวกันในการรักขมโมยเนี่ยบางครั้งมันเกิดเพราะโลกบางครั้งมันต้องการจะผลาญนะต้องการจะทำลาย ฉันข่าวพักได้ไปตัดสวนลองกองเขาไปตัดสวนหลังศาสเขาไปตัดสวนยางเขาอะไรแต่ไรเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงก็ไม่เอาไปไหนแต่มันเกิดต้องการทํำลายแต่วงนี้ค่อนข้างเบียดเบียนนะฮะค่อนข้างเบียดเบียนเพราะว่าเร่องเดี๋ยวนี้เราไมา่รู้ว่าใครทําเพราะฉันเมื่อเราได้สัมผัสผลแล้วเนี่ยมันคล้ายๆเราชิมอาห พอลิมรสถตาเป็นที่พอใจแล้วมันก็กินันอี่แล้ววันหลังขึ้นมาก็ไปหาชินต่อการแบบทมก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันทำมารสเนี่ยรสแห่งธรรมนิชนะรสทั้งหลายมันออกมาเป็นความสงบที่ไม่เคยสัมผัสเป็นความเยือกเย็นที่ไม่เคยสัมผัสเป็นความสุขที่ไม่เคยสัมผัมม ส, ผ ส, สผและสิ่งเหล่านี้ที่จริงเราก็สัมผัสในชีวิตประจวัน เพียงแต่ว่าของพระทัพพระมาร บ, บุตรหรือว่าเรื่องที่ประรบในในอุทานเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพระญาบุคคลจะเรียกว่าระดับพระญาบุคคลมันประสูนย์ในบนันนีซึ่งเป็นประสูนย์สุดท้ายเนี่ยที่จริงมันก็สืบเรื่องมาจากประสูตย์ก่อนก็ประรบการปรนิพานของ พัปพะมาระบุตรนั่นเองนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ปรนิพานที่คนเห็นมากการแสดงอิทธิปฏิหารต่งตางๆเราท่านเนี่ยก็เร้าใจตื่นเต้นเนี่ยนะฮะคนเห็นแล้วก็สะท า, า, าเลื่อมใสแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่ามันอยู่ในแวดวงของพุทธบริษัทหมายความโอกาสที่คนอื่นเขาจะไปริษยาไปอะไรก็คงไม่ไม่เห็นนะฮะพระพุทธเจ้าได้รับสัง่ง ว่าภิกษุ์ทั้งหลายเมื่อทัพพระมันละบุตรเพาะขึ้นไปสู่เวหาตั่งขัดสมาธิเข้าสมาบัตมีเตโชธาตเป็นอารมณ์อยู่ในอากาศกลางหาวนะฮะที่ใชก็มาอยู่ในอากาศกลางหาวแล้วออกจากสมาบัติแล้วไปนิพพานเมื่อศีระ ถูกไฟเผาไม้อยู่นี่เท่าไม่ปรากฏขมเราก็ไม่ปรากฏเหมือ น, นเลยใส่ือน้ำมันที่ถูกไฟเผาไหม้อยู่เท่าไม่ปรากฏเลยขมอก็ไม่ปรากฏจากนั้นก็ทรงเป่งพระพุทธอุทานในการย้ำเตือนให้พระเหล่านั้ น, นเกิดชั้พระอุสาหะราะแนวตัวนี้ที่จริงเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวยกย่อง จกยองคนในกรณีที่เขามีการกระทำในควนแก่การยกย่องมันกระตุ้นเร่งร้าวคนกลุ่มหนึ่งที่มีพื้นฐานเป็นมุติตาหรือพื้นฐานมีความรู้สึกดีนะฮะรู้สึกดีรู้สึกศรกัทธาต่อพระเทระอยู่แน่นอนอาจจะแก้ความคิดของเมตยาภูมัจจยกสองลูกนั้นไม่ได้หรอกพวกนั้นเ ก, กะนางเมตยาพิกษุณีก็คงแก้อะไรเขาไม่ได้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดความพอใจที่จะได้จะมีจะเป็นตรงนี้ที่จริงเป็นตัญหานะะแต่ว่าเขาเรียกตัญหานี้สายาเป็นตัญหาปหาตบบาคืออาศัยตัญหาเพื่อละตัญหาคือบางทีท่านอยู่อุปมาผู้นี้เหมือนกับยานเหมือนกับแพรเหมือนกับรถเหยียดผลัดอะไรก็แล้วแต่อุปมาให้ดูนะฮะแตถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องทิ้งทิ้งรถ เพื่อจะขึ้นฝั่งเพื่อจะไปที่จุดหมายปลายทางหรือขึ้นจากเรือเพื่อจะขึ้นฝั่งเราตปเรืออยู่เราก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เมืาศาศา่อรัศมีพานเราเป็นอย่างไงเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งประพุตุทานจึงมีประเด็นที่น่าศึกษานะว่าคติของพระขีนาศทั้งหลายคําว่าพระขีนาศเนี่ยพระผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว คือหมายความว่าภายในใจของท่านไม่มีกิเลสท่านเรียกท่เรกง่ายๆว่าขีณาศพพระหันและขีณาศกแปลว่าพระหันผู้มีอาสวะที่สิ้นแล้วก็อาจจะเรียกอาลาหันเฉยๆก็ได้นะเพราะว่าคําว่าอาาหังเนี่ยแปลว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏกรรมแห่งสังสารวัฏก็คืออะไรอวิชาตนาุปาะธานกรรมมันก็คือการแล้วผู้แม่กิเลสกับกรรม เพราะวิชาตัณหาทั้งอุปาทานเนี่ยมันเป็นกิเลสกรรมก็คือกรรมมันเป็นผลมาจากกิเลสแต่ ว, ว่ากรรมบางอย่างมันเป็นกุศลแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเจือกิเลสด้วะมันไม่ใช่กุศลล้วนๆหรอกถ้าอย่างเป็นโลคิยะอยู่เนี่ยก็มีอะไรปนๆอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอถึงระดับโลกุตตะเนี่ยวิชาต้องหมดด้วยแร่วิชาอย่างไม่ ดับสมบูรณ์ก็ยังไม่เข้าถึงโลกุตระที่ที่แท้จริงเราจึงเห็นว่าในโลกุตระธรรมเก้าที่จริงท่านที่เข้าถึงสมบูรณ์เนี่ยเฉพาะพระอรหัตมรรมอรหัตผลกับนิพพานนั่นเองโนั้นยังอยู่ในโลกิยะแต่เข้าสู่กระแสของนิพพานตั้งแตโงนะง่โสดาบันไปพระชิ่ก็บอกนะที่จริงโสดาบันแปลว่าพูดถึงฝั่งพระนิพพาน ถึงกระแสพนิษฐานก็ได้สกิทาคามีแปลว่าผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งหรือครั้งเดียวก็ได้หร่อครั้งเดียวก็ได้ครั้งหนึ่งก็ได้แสดงยังต้องเกิดอีกอย่างน้อยหนึ่งชาติพานาคามีแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วหมายความว่าท่านจะอุบัติในพรหมโลกระดับสุทธาวาส ตามกําลังของอินทรีย์ที่ยิ่งย่อนแตกต่างกันเราจะเห็นว่าอินทรีย์มีห้าคือสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาสุทาวะก็มีห้าคืออวิหาตป่าสุทศัศษาสุทศัศสีศอากานิจธาหมายความว่าท่านที่มีปัญญานิสัยแก่กล้าเนี่ยจะอุบัติบังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดคืออนิจพกนะมันก็เรียงไปอย่างเนี้ยศสธาก็อวิหานะวิริยะก็ตปา อะสติก็สุทัศสาสมาธิก็สุทัศสีแล้วก็อนิสาหมายความว่าตัวหยาดตัวตัวตัวอินทรีย์ C, นะฮะอินทรีย์ภายในใจของท่านจะเป็นตัวกำหนดกำหนดชั้นของพรมโลกที่ท่านเดบับท่านเรียกว่าสุทธาวาสคือที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ เพราะันคนที่เกิดระดับนี้ได้ก็มีตั้งแต่ปัโสนบันขึ้นไปนะคนอื่นเกิดไม่ได้ไม่ใช่พระนาคามีเท่านั้นหรือไม่พระนาคามีเท่านั้นผูนะ้อื่นเกิดไม่ได้ก็พระนาคามีบางทีเราก็ปรากฏเรื่องนะพ ร, ระนาคามีี่ลงมาในโลกมนุษย์เนี่ย เป็นข่าวที่ผู้เจ้าทรงแสดงมาสมัยสูตรก็มีลักษณะคล้ายๆการปิดสุมมาสมัยสูตรเนี่ยรู้ตำรัดมีไม่มากหรอกแต่ว่าเป็นการรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีนาคามีพรมท่านหนึ่งมากล่าวคาถาซึ่งถือว่าพูดจากประสบการณ์จงของตัวเอง ว่าเยเกยจิบุทังสนังกตาเซนเตกามิสั้นเดียปายาปูมิงปะหายามานุสั่งเดหังเดวกาอย่างปริพุเรศสันติชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่รุกเกิดชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยขรากายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏตายปั๊บเกิดปุ๊บนะครับเป็นอุบัติเทพเลยแต่ถึงจริงถึงว่าพุทธคนนี้จริง ถึงได้ใจสัมผัสคุณได้ใจสัมผัสปัญญาด้วใจสัมผัสบริสุทธิ์ด้วใจสัมผัสเกลนาด้วใจเรามาเสียเวลาอยู่เยอะนะสังคมพู้รอเราเสียเวลาอยู่เยอะรุนแรงพันเตนยเยอะมากซึ่งก็มันเป็นปะปัญจะธรรมคือธรรมะที่ให้เลื่อนช้าเพราะถ้าดีเรียกปปัญจะธรรมคุณเจ้าเรียกปปัญจธรรมเนะี่ยคือตัณหามานาทิฏฐิ ให้เราสังเกตว่าเราถูกตัณหามาณทิฏฐิมีครอบงำกันเยอะมากๆเลยแล้วในที่สุดมันก็นปิมเปื้อนตัณหามาณทิฏฐิอยู่ตัณหาก็คืออยากได้อยากไม่อยากเป็นมาณก็ยึดติดในความเป็นแล้วก็ทิฏฐิก็ยึดติดในตัวตนเลยอัตตาเครื่องตรงนี้อัตตาเรื่องน่าโดนนะแล้วผลสุดท้ายนี่มันจะมีอะไร เราซึ้งนะที่จริงเราซึ้งอย่างยงกตัวอย่างเนี่ยเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าติดสุขสนุกชนัยเจ้มามือเปล่าเจ้า เ, าเาจ้าอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามาเป็นพาสิทที่คนพูดดีซึ้งมากแต่ว่าไม่พยายามเข้าหาความจรงิงคือไม่พยายามสัมผัสตัวความจริงของมันลักนณการยึดมั่นหรือมั่นต่างๆมัยิ่งเกิดเยอะ แต่บางครั้งก็รุงรังไงนะเป็นมานิกายเป็นธรรมยุทธเป็นหมหายานเป็นจีนนิกายเป็นอนัมนิกายเป็นโอยอะไรไม่รู้รุงรังกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรายังอยูด่ด้วยประปัจจะยธรรมห่างไกลาจากขีณาสบนะแล้วท่านก็บอกว่าข้ามเครื่องผูกคือกามโอคาบกามโอฆะได้แล้วโอฆะจริงจริงเนี่ย มัยียูีนะฮะยูซีแต่วันในที่นี้ทรงเน้นไปที่กามโอคะกามโอคะเพราะอะไรล่ะมันต้องกลับไปที่นน่อนอีกล่ะกลับไปที่พระทัพพระมรบุตรถูกโจทย์ถูกโจทย์จากนางเมติยาภิกขุณีนะฮะโดยพระเมติยากับภูมมัชเถกะเนี่ยไปขอร้องให้ช่วยโจทย์พระสมัยนั้นก็เกิกะไม่ใช่เล่นเงินนะ พวกสัพพะคีตัวนี้ก็มีหกหกลูปนะวนอยู่เรื่อยเลยแอ้พวกนี้องค์สองสองลูปเนี่ยแปลงออกมายัางไงไม่รู้ออกม า, าไปเกกะอยู่รูปหนึ่งแล้วก็ถ้าเราไปดูในพี่นายวิโดกเนะี่ยพวกปั่นอี่างไรไอพพ้พวกสัพพะคีบวนกับสัตวะคีนะฮะสัตวนะคีมีเท่าไรสิบเจ็ดตัวนี้มีหกแล้วก็พระอุปนนพระอุทธายีพระอะไรเทรา่าไรก็เกกะเยอะ แต่นี่ก็เออคนสมัยนั้นบางทีก็ค่อนข้างกระล่อนนะะแต่ว่ามองในอีกมุมหนึ่งมันก็ดีมีคนในนี้เกิดขึ้นบ้างเรารู้เออคนอย่างนี้ก็มีมกันนะจะได้ป้องกันแก้ไขขจัดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวินัยเนี่ยเกิดขึ้นมาะท่านเหล่านี้เยอะเลย อย่างเสกียวัตเจติผ้าเนี่ยท่านบอกว่าเกิดมาจากสัพท์ขีเนะ่ยเราไม่ค่อยเชื่ออะไรหรอกคนอะไรมันก่อขวรได้ทั้งสร้างเรื่องทั้งเจติผ้าเรื่องทั้งเรื่องทั้งเจติผ้าเรื่องนะฮะก็คงจะหลายนะฮะคงจะหลายแต่ว่าพระสารอาจารย์ท่านอธิบายอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของท่านเราฟังท่านไว้กามโอคะบางทีเรียกกรรมโมคะก็แล้วแต่ถ้าสนุนติก็เรียกกรรมโมคะ ในห่วงน้ำคือกามงั้นเรากเกตเราตกอยู่ในห่วงน้ำคือกามกามก็คือความใข่ความปรารถนาความพอใจมันอยู่ภายในนะฮะไอ้กามภายนอกมันไม่ค่อยมีอะไรรอกว่าแต่นควาจริงเราไปให้ความสำคัญมันเฉย พราะกิเลสเป็นตัวข้างในเนี่ยมันกระสิบใจนั้นสวยนะ้ารูปสวยนะ้าเสียงไพเรานะน้ากลินหอมนะ้ารสอร่อยนะ้าสัมผัสนะ้าจับต้องนะ้าอะไรก็ไปกันได้เมื่อก็พัดหมุนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าบางทีพระพุทธเจ้าทรงอุปมา ก, กิเลสพวกเนี้ยกิเลสโลภะกัทโศสะเนี่ยหรือบางทีราคาโาะโลภะโศสะด้วยการที่คนคนหนึ่งตกลงไปในพวกนะ ทรงใช้ปริญญายนี้เยอะนะปริญญายของโอคาตนี่เยอะเพราะว่าในอินเดียนี่แม่น้ํามันเยอะมันสอนง่ายรู้จักก็อยู่แถวแม่น้ําแถวป่าแถวอะไร แ, แต่ละคนสมัยโบราณก็อยู่แถวนั้น น, นนะแถวป่ากับแถวต้นไม้มันทั้งสอนที่เกี่ยวกับป่ากับต้นไม้เนี่ยกับใบไม้กับดอกไม้กับผลไม้กับเปลือกไม้อะไรแต่ลรนี่เยอะเลยหัวมา ง, ง่าย พุทธ้าไม่ต้องมีอุปกรณ์การสอนอย่างพวกครูบาอาจารย์สมัยนี้มีอะไรอ่ะที่เขาฉายภาพอะไรต่างๆมาดูกันเรนนี้ก็เข้าเข้าไปถึงอะไรล่ะคอมพิวเตอร์แล้วเป็นคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วนะฮะมาใช้มาดูมาพูดอะไรๆกันเมื่อก่อนก็มีคนมาแนะนํำมาให้มีบ้างยังไม่ค่อยคิดเนี่ย คือมาเป็นคนไม่ค่อยชอบโชอบมนุษย์มันต้องมีความคิดอะ่ะต้องมีจินตนาการเพราะว่ายัดเยียดให้ดูให้ฟังให้ดมให้ลิ้มให้จับต้องใ ห, ให้จิมให้จับต้องหมดแล้วมั น, ม, นมันมีจินตนาการอะ่ะนั้นทํายังไงถึงจินตนาการ ไ, ได้สร้างภาพสร้างพจน์ความพจน์แล้วคิดภาพไปได้เราเห็นว่าพุทธศาสนาที่ยังเกิด ข, ขึ้นในจินตนาการอะ่ะ พระเจ้าจินตนานการมาจากโน้นแหจากคนแก่คนเจ็บคนตายนะจินตนานการไปเรื่อยแหละแล้จุดหาทางออกให้แก่ตัวเองดีคมพีพวกเนี้ยแนวเแนวข้ า, าริยสัตว์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทีย่เป็นอริยสัตว์คือเนติประการก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าทําความเข้าใจเป็นเรื่องพระเทระรุ่นหลังท่านเขียนเอาไว้เขาก็บอกว่าพระมหากัจจายะเทระเป็นคนเรียบเพลงไว ทำไมเองไม่่อเชื่ออะไรอ่ะคื อ, อยังนึกว่าเชื่ออย่างนั้นจริงแต่ว่าไม่น่าจะเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นแรกในเราไม่มีการไม่ไดยมการขีดเขียนกันนะนะสังขา ย, ยนาครั้งที่หนึ่งก็ไม่เขียนขั้งที่สองก็ไม่เขียนครั้งที่สามนะฮะครั้งที่สามก็เริ่มเขียนเริ่มจดจารึกลงไปไม่ใช่ที่จริงมันไปจดจารึกจริงๆไปจารึกเถียงกา แต่ว่าในอินเดียเนี่ยมันตอนสักไครนาครั้งที่สี่ซึ่งเราไม่นับแต่ว่าเป็นสมัยพระเจ้าการนิตกะมาราชก็ไปจานเอาในแผ่นทองเหลืองพระอาจารย์ในใบลานจริงๆเหมมันตั้งพดสอสี่ห้าร้อยไปแล้วก็ทำไ่นึกก็สมัยเรียนในอินเดียก็ไปค้าอาจารย์บ่อยอาจารย์ก็บอกว่าหัวเือ <c oughs> คือบอกมันไม่สมเหตุสมผลนะอาจารย์ ให้สมเหตุสมผลที่เราต้องพูดไปมันสมเหตุสมผลหน่อยหเมื่อเอกสารแนวอื่นมันไม่มีเลยแม้แต่คำภีประเวทก็ยังไม่ได้จดจะรึกนะฮะสมัยนั้นผ่านมาสมัยพระเจ้ า, าโศกก็ยังไม่ได้จดจรึกเขาจะรึกกันที่ลังกาพระพุทธโกศสาจารย์ก็ต้องไปศึกษาที่ลังกาไปคัดลอกมาจากลังกา โมฆะข้อต่อไปการโมฆะภวะโมฆะโอคือพบพบก็คือพบที่เราไปเกิดในอย่างไรอีกอย่างหนึ่นงก็คือเขาเรียกว่าเป็นสังขารพบกับอุติพบอุปัติพบนะแต่ว่านี้คือภาวะตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดพบอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอวิชาก็ได้อวิช า, ชาเป็นเหตุให้เกิดภาวะตัณหาก็ได้ก็แล้วแต่ อันน้นเราจะพบแต่ที่บางแห่งว่าถามอวิชามาจากไหนมาจากเพราะว่าตระหาเพราะว่าตระหนามาจากไหนก็มาจากอวิชาเก็ยุ่งแล้วไก่กระไข่ล้วทีนี้คือจะเอาช่วงไหนล่ะเพราะถามมันต้องต้องดูช่วงมันก็ไก่กับแม่ไก่กบลังไข่ออกมาเนี่ยตอนนี้ไข่ก็มาจากไก่ แต่ว่าแม่ไก่ฟักแล้วออกลูกมาเนี่ยไก่ก็มาจากไข่มันก็มันก็แล้วแต่จะนับคือต้องตัดเป็นช่วงๆช่งๆอันนั้วิชากับพราะวจนะถามก็มีลักษณะอย่างนี้พวงนี้มาถึงจุดหนึ่งที่พัดหมุนนะพัดหมุนเพราะการโมฆกับพระโมฆะเนี่ยก็พอๆกันเะมือนคือเดียวกันอยากได้อยากเป็นฮะอยากได้อยากเป็นเห็นก็เป็นไปเรื่อยๆ คือที่ที่นึกเนี่ยที่นึกว่าคือบางทีเราอยากเป็นแต่เราที่หน้าน้อยใจก็คือเราไม่อยากทำเพราะว่าเป็นมันตอบสนองเพราะวะัญหาแต่ว่าทำมันเป็นสมาวยามะนะเป็นสมาวยามะเพราะานคนจึงไม่ค่อยชอบเพราะว่าคนขี้เกียจแต่เป็นมันตอบสนองสนองสัาดีเนะี่ย ใจก็ได้อาหารรู้สึกตัวเองเครื่องนะอัตราตัวตนก็ใหญ่ขึ้นก็อยากจะเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแล้วก็ทิศหัวค่าอกค่าคือทิศอออนีกหน่อยิะคือกามาตัณหาเพราะว่าตัณหาเนี่ยบางทีสรงอุปมาคนตกอยู่ในน้ําที่บอกตะกี้เนี่ยคือยังยังไม่ได้อธิบาย คือตกอยู่ในน้ําบนตก อ, อยู่ในคลื่นเป็นเหยื่อของตะระเข้เป็นเหยืออห่อของปลาปลาร้ายท่านบอกว่าปลาร้าย <S <S mm hmm. ก็ยังนึกยังนึกถึงหนังสือของเหมวิจัยอ่นีน่เขาเขียนเขาเขียนปลาฉลามมาอยู่ในแม่น้ําในรัญชราก็เอาไปสอนเด็กก mm hmm. เด็กก็กกติงขึ้นเนี่ยนึกเออเด็กนี้คมมาก มากอนะ่ะมีน้ำมีรันจราเป็นแม่น้ําจืดนะฮะไม่มีปลาฉลามหรอกเพราะในที่นี้แสดองอุ ป, ปมาเมีทั้งเจระเข้มีทั้งปลาฉลามเจอระเข้น้ําเค็มก็มีนะฮะมันก็ดูแล้วคล้ายๆหมาสมุทรเป็นอุปมาแบบหมาสมุทรคลื่นก็คือโทสะคลื่นอารมณ์นะฮะโทสะน้ําวนก็คือคือกรรมคุณนะรูปเสียงกลิ่นรถปดกระฟาดทำอารมณ์หมุนอย่างนี้ทุกวันเลย ทุกวันบนนุญหมุนอยู่ในรูปและ ส, สัำซ้ำซากสสทกากซ้ำซ้ำซากซากบุญบุกักิเลสเนี่ยซ้ำซ้ำซากซากกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผั ส, ส, สที่ซ้ำซ้ำากซากแล้วก็จระเข้ก็เป็นความเห็นแก่ปากแก่ท้องทุนความอดอยากไม่ได้ก็เป็นโลภะอย่างหนึ่งนะเป็นโลภะอย่างหนึง่งแล้วก็ปลาไดยเนี่ย มันก็คือเพศตรงกันข้ามแต่บริสอนพระตอนนั้นเนี่ยสอนพระซึ่งใช้คำว่าไผ่ซึ่งใช้คำว่าไผ่เพราะฉะนั้นเมื่อสอนพระก็แปลาว่าเพศตร ง, งข้ามกับผู้หญิงแต่สอนพิจูนีเขต้องเปลี่ย น, น, นเนี่ยนะฮะสอนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผู้ชายเพราะนพูดงา่ายว่าเพศตรงขํามเพศตรงข้ามมันก็ราคะนะเราจะเห็นว่าเพศตรงข้ามก็บราคะเห็นกระตากแต่ท้องก็โลภะหมุนบนเป็นขึ้นก็โลภะ กับราคาด้วยนะราคาด้วยแล้วก็คลื่นเนี่ยมันก็คือโทสะพวกนี้เป็นรูปธรรมเป็นตัวแทนให้คนได้คิดนะฮะได้คิดว่าใจิตใจของรุ่มกัหมุวงอย่นยงไรรงพวกเนี้ยราคาโลภโทสะโมหะเวลาเนี้ยมันเป็นยุคล่ามนุษย์นะคือยังมองด้วยความโงงใหญ่แล้วก็ เคยสอนนักศึกษานะอารมนักศึกษาก็มาบวชที่วัดเดี๋ยวตั้งข้อสังเกตว่าให้หล่องคิดดูเถอะเวลาเนี้ยคนเราเรียนมากแต่คิดน้อยให้คิดอ่ะการตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่เซ็นแมนเขาเสนอเข้าประตูเสนอสินค้าแล้วเราก็ซื้อเลยนะฮะเรียกว่า ติ่ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมันแสดงว่ามนุษย์เริ่มคิดน้อยลงนะคนขายเป็นคนคิดแทนแต่ตัดสินใจแทนนะแล้วเราก็เห็วนะ่าก้าวหน้าในที่นี้ค่อนข้างถอยหลัง น, น, น, น, น, น, นะการคิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์จะคิดน้อยลงแล้วก็รับข่าวสารอะไรต่างๆเนะนี่ยนจะไม่เคยคิดเป็นระบบไม่เคยคิดเป็นระบบ แล้วก็ซี้ผิดที่ถูกลงไปเลยวันก่อนเนี่ยฟังวิทยุขึ้นอะไรอะ่ะ 9.2.25 เด็กก็เปิดแล้วฟังออ้กันดารัฐบาลกล่าวหารัฐบาลสารพัดยังนี้ก็เออนี่เรือประชาธิปไตยของคนไทยอะ่ะ เพื่อเมื่อมีการกล่าวหาในคดีอาญาเนี่ยเขาให้สันนิษฐานไว้ก่อนมาจําเลยบริสุทธิ์ไอ้ น, นี่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการเลยเลยนะเป็นข่าวลือเฉยๆแล้วสินค้าก็ยังไม่มาด้วยนะขอรับชั่นโกงกินกันไปยุ่งกันไปหมดแล้วไม่ได้ศึกษาขั้นตอนอะไรเลยสินค้าอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยนี่คือคือคือสังคมที่แปลกแล้ะพวกนี้ก็ถือว่าเสรีภาพ แตไม่เคารพสิทธิเสรีภาพคนอื่นคือไม่คิดอะแล้วเสร็จแล้วไปบุกทําลายสวนมาละกอเขาแล้วขออภัยทรัพย์สินเราเสียหายเท่าไหร่เธอมีสิทธิ์อะไรไปทําลายทรัพย์สินเขาอบอกว่ากรีนพีทนะฮะกรีนพีทนันไม่ได้ความคิดอย่างนี้ไม่ได้ความคิดระดับใจเขาใจเรายัางไม่มีให้คิดเลย ใจเขาใเรายังคิดไม่ได้ราษฎรธรรมยัญญายังคิดไม่ได้นั้นจึงจึงกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะเพราะอะไรเพราะว่าพวกเนี้มันจะกลายเป็นความอยากเพราะอยากเนี่ยมันมืดบอดอยากได้อยามีอยากเป็นมันมืดบอดก็ก่อนจะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยทางสนัมภูตเขาติดต่อ น, นิมนต์ไปนะพูดเรื่องไอ้เกี่ยวกับงบประมาณที่รัฐจะสนับสนุนนี มัไมไม่เยชอบพูดเรื่องเลยก็ส่งนายทหารซึ่งตั้งเขาเป็นประธานจัดงานเนี่ยให้ไปกันเราไม่อยากพูดเรื่องเงี้ยพอโยมพูดอะก็มันอะไรอ่ะคือมันเป็นภารกิจเนะี่ยเป็นพันธกิจที่รัฐจะต้องส่งเสริมสนับสนุนศาสนามันเป็นกฎหมายและตมนูนเวลาอ้างเพื่อตัวเองได้อ่ะ ไล้างเพื่อปฏิบัติทำไมไม่อ้างรัฐจะต้อง อ, อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและาศาสนาหรือนี้คือาศาสนาเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติเป็นการเผยแผ่าศาสนาแล้วก็อยู่ในทุกมิติด้วยนะฮะอยู่ในทางกระทรวงวัฒนธรรมหมดทุกกรมเลยกรมการาศาสนาะสวชสํานักวัฒธรรมแห่งชาติกรมศิลปากรอยู่ในสํานักพุทธอยู่ในระบบการศึกษา นะครอบคลุมเมื่อ ง, งานเนี่ยมันครอบคลุมอะไรล่ะองค์กรมาหาชนแปดองค์กรได้เกือบหมดอลยเวลาองค์กรมาหาชนองค์กรอะไรเขาเรียกองค์ไอไศูนย์คุณธรรมเนี่ยให้ไปทั้งยี่สิบสามล้านแต่พอถึงกรรมการที่ใหญ่เนะี่ยกรรมการใหญ่นะ่ยกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพศาสนามีท่านนายกเป็นผู้ในการนะ ถ้ากดรอมันมันมีปัญหาหรือการสนับสนุนที่จริงก็เพิ่งสนับสนุนเมื่อสองปีนี้เองปีที่แล้วก็ปีนี้เราก็ทํากันมาทั้งยี่สบกว่าปียี่บสองปีแล้วแต่ว่าก็เพิ่งรับการสนันสนบสนุนสองปีเราก็อยากให้ชาวบ้านเขาไปคุยกันเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกแต่ว่าเป็นภารกิจนะเป็นพันธกิจเลยที่จะต้องทํา เพราะถ้าเราแก้ปัญหาศีลธรรมไม่ได้เนี่ยคุณอย่าไปแก้อะไรอย่างอื่นนะเพราะเวลนี้สื่อทั้งหลายมันกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกันทั้งนั้นเลยเธอแสดงใฟชั้นชูเธอสนับสนุนเป็นพันล้านพันกว่าล้านแล้วต่อจากนั้นเธอไม่เชื่อมโยงว่ามีปัญหาจุดค่าอาจารย์คงถึงการทำจำเราการกระจายทุบ้านทุ่มเงิงเธอไม่นึกว่าเพราะนี้ใช่ไหมเพราะว่าแสดงแล้วเนี่ยภาพถายก็มีภาพประยนตร์ก็มีซีดีก็มีวีซีดีก็มี วิดีโอก็มีหนันแพร่หลายไปที่ต่างๆสนับสนุนเรื่องนี้โครมเลยเป็นพันพันล้านเลยลงสนับสนุนาศาสนานีสู้กันเกือบเป็นเกือบตายนะฮเพื่อให้เผยแพร่ศีลธรรมมันคืออะไรฮะมันเป็นอาการของอาวิชโชคะหุ่นน้าเผื่อวิชาแล้วก็เป็นพิถัวฆนะ่าเวลาไปฟังคนเหล่านี้เขาอซักเรื่องงบประมาณเพื่อด้านาศาสนานโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยนะ มีผู้ใหญ่ก็เคยมาไล่ฟังบอกอามาไม่เอาอ่ะคือไม่ไปพูดกับคนเหล่านี้คือเราไม่รู้แล้วก็ทําตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของงบประมาณของแผ่นดินเกิดจะภาษีาก อ, องรศัศฎรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนเหล่านี้เลยนะเธอมีหน้าที่บริหารจัดการเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นการพัฒนาประชากรที่มีคุณภาพขึ้นในแผ่นดินนี้ มันแก้ปัญหาได้สารพัดเลยเพราะเราอย่าลืมาการที่คนนี่ไม่คอรับชั้นอะไรรุนแรงไม่อาจยาการรมรุนแรงเนี่ยถูกวัดถูกโรงเรียนหยุดไปเยอะนะเพราะการสอนการอบรมการฝึกปรือเนี่ยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้มองอ่ะไม่ได้มองว่ามีไหมที่คนเหล่านี้เราจับได้ว่าเออมาหาประริญญาธรรมเก้าประโยคไปปล้อนอะไรมันมีไหม หรือคนนี้ได้นาธรรเอกแล้วไปมเมาเหล้าอยู่ริมถนนเนี่ยเราเราเราเราไม่เคยคิดปัญหาเนี้ยมันที่จริงมันเป็นโอคาเห็นไหมเป็นทิฏโขฆะกับเป็นนวิโสฆะเป็นทิชชีที่ถือรันแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ถือรันแล้วก็กลายเป็นสภาวะเราอื่นนะก็ตามกระแสะของกามโมคะกับพโบฆะ เพราะอะไรพระทิชฌิมันวิปริตความมืดบอดในเหตุผลสติปัญญาแล้วก็รับสั่งว่าถึงแล้วซึ่งความสุขอันหาความหวั่นไหวนี่ได้คือนิพพานในตาทิโนพระอรหันต์พวกเดียวนะตาทิโนเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตาชิโนคือคงชี่ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่มากระทบที่จริงมนุษย์เราเนี่ยสามารถทำได้หลายระดับ เช่นสมมติเรามีคนเป็นมากเเห็นบุร ห, ห, ห, หรี่ก็ไม่หวั่นไหวเห็นเหล้าก็ไม่หวั่นไหวเห็นวิหรี้ก็ไม่หวั่นไหวเห็นอะไรที่เขากิงกันบอกบอ่ขวดนั่งสามสี่แสนเรื่อเราเห็นคนกินในสงสารเนี่ยสงสารว่าคนเหล่านี้มันอยู่ฐานะสังคมสูงได้ยังไงพื้นฐานทางคุณธรรมนี่แย่มากเลยเป็นทาตของน้ําดื่มทำเงิน เอาเงินของแผ่นดินซึ่งเป็นซึ ซ, ซ, ซ, ซึ่งซึ่งซึ่งควรจะอยู่ในประเทศไทยมาไปซื้ออะไรมาดื่มก็เสียงเงินตาต่างประเทศไปเยอะแยะที่เราไม่ได้ดูกันตรงนี้เราจะจะเห็นว่าพอเราจับพระพุทธภาษิตเป็นาสคอร์เราจะเห็นเลยว่ามันสวนกระแสสวนกระแสธรรมไปสู่กระแสโลกเป็นโลกียธรรม เหมือนความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เราทับใดที่กิเลสยังอยู่มากเราจะสัมผัสสุขสงบขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อกิเลสมันลดถ้ากิเลสยังเพิ่มอยู่เนี่ยมันจะลดไม่ได้มันมันมันจะมีความสุขไม่ได้แม้แต่นอนก็ยังไม่หลับเลยรับสั่งว่าไม่มีเพื่อจะบัญญัติคือนิพพานเนี่ยมันบัญญัติไม่ได้ภาษานี่ยจริงๆสมมติเรียกอ่ะมันมันเพื่อสื่อสารไม่ได้ เพราะไม่ไม่มีอะไรให้บรญยายเนะ่ยมาถึงจุดหนึ่งที่จริงมันไม่มีสัตว์ไม่ใช่ชีวะนิสสตโตนิชโวสุญโยนะนั่นบอกว่านิสสตโตคือไม่ไม่เป็นสัตว์หรือไม่มีสัตว์นิชโวคือไม่มีชีวะสุนโยคือว่างว่างจากของเราว่างจากเราว่างจากตัวตนของเราเหมือนกติแห่งไฟลุกโพรงอยู่ที่พัฒนะสำริดเป็นต้น ในในช่างเหล็กตีด้วยค้อนเหล็กดับสนิทย่อมรู้ไม่ได้เท่านั้นนี่คือดับไฟนะแต่ว่าเป็นทรงอุปมาให้เห็นอีกแนวหนึ่งว่าไฟมันลุกอยู่ที่พัฒนะแล้วก็มีคนมาดับคือคือยังนึกว่าตรงเนี้ยก็อาจจะมีบริเวณใกล้ๆเนี่ยมีช่างทาสำลีอยู่ เลพระท่านบิณฑบาต ท, ทั้งเคยเห็นย่าก็ยกอุปมาขึ้นเพื่อดูง่ายนะเราใจง่ายเนี้ถามว่าไฟดับแล้วไปไหนล่ะก็ไม่ไปไหนก็บอกที่ไปที่มาไม่ได้แต่การดับนะั้นไม่เกิดขึ้นแล้วเดีย๋ยวถามว่าดับแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นไปอย่างไงเนี่ยมันก็ไม่มีคำที่จะอธิบาย ทีนี้ตรงนี้พระตถาอาจารย์ได้อธิบายนะฮะว่าคือเมื่อผู้เจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชรพฤหัสผลงควรแล้วก็เสด็จไปที่ชนบทจนถึงสาวัตถีเพราะงั้นพระสูตรนี้เราจะเห็นว่าพระสูตรแรกเนี่ยมันเกิดเกิดที่ที่กรุงราชพฤหัสแต่พระสูตรที่สองนี้ปรากฏว่าไปเกิดที่กรุงสาวัตถี พระท่านยังบอกว่าพระบูมีภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนารบินติกะเศรษฐีในกรุงสาวัตีเพราะว่าสถานที่ที่ท่านจะบอกนะแต่ว่าพระสูตแรกเนี่ยบอกว่าอยู่ที่วิหารเวรุวันกาลันติกานิวาปะสถานคนลเมืองเลยนะพระเวรุวันนั้นเป็นอารามแรกแต่สาวัติเป็นอารามซึ่งเกิดขึ้นทีหลังหลายปี เดระทับอยู่ที่ประเทศตะวันก็เพื่อจะแสดงการเปรัฎพระมรรคบุตรปณิพานอันยังไม่ไปจัดไว้แก่ให้ไปจัดแก่ภิกษุเดีย๋ยวเพื่อปุถุชนผู้เหินห่างจากความเคารพในพระเถระไอนี้ก็ต้องอนุเคราะห์พวกไอ้พระกับภิกษุณีที่โจรทวงท่านด้วยนะฮะพวกนั้นยังยังกอกวนอยู่ยังมีความคิดที่เป็นปฏิปัติ พุทธเจ้าสนพระไทยในรายละเอียดนะอย่าลืมมาคนทั้งสามคนนะครับรอให้ตกนรกไปต่อประพักแมวไม่ได้หล้วมันก็ต้องช่อยกรอมช่อแก้ไขกันแล้วก็พวกเนี้ยกล่าวตู่เรื่องที่ไม่รีงผู้ใจได้เกิดความนักถือในประเทระแล้วก็สมนึกผิด ถึงแม้จะมีบาปรกรรมอยู่ก็จะลดลดน้อยถอยลงไปเพราะงั้นจึงมาเน้นย้ำในเรื่องเหลนี้เพื่อย้ำเตือนนะฮะเพอย้ำเตือนว่าจริงก็ท่านนิพพานได้เห็นแล้วเพราท่านเป็นพระหานในสองลูกนี้แก่อย่างเพียนเพียนอยู่เพราะงั้นก็พระเจ้าก็นําเรื่องมาย้ำนะเดีย๋ยวจะเห็นว่าห่วงเวลานี่่อนค่างห่างกัน องเวลาที่แบบนิพพานกับการส่งแสดงในเรื่องเหล่านี้ก็ยังห่างกันอยู่แต่ว่าด้วยพระไทยที่มุ่งอนุเคราะห์ต่อชาวโลกนะจึงส่งแสดงอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็มาอธิบายถึงว่าการดับแบบนิพพานเนี่ยท่านอุปมาว่ามันมั น, มนเมื่อไฟก็สงบคือมอดลงเนี่ยได้แก่ดับสนิทไป ด, ดับ เนสถานที่ไปเนี่ยไม่รู้ได้ ว, ว่าการดับให้เสร็จแล้วบาง ท, ทีส่งแสดงนี่ผ่านว่าดับไม่มีเชื้อมันเป็นความดับที่ไม่มีเชื้อเหลืออยู่บางที่ส่งอุปมาเนี่ยส่งอุปมาให้ใหเห็นว่าเช่นสมมติว่าต้นไม้เนี่ยมันจะไม่งอกอีกจะส่งอุปมาว่ามันเหมื่อกับต้นไม้ที่เขาฟังฟันฟันจนละเอียดหมดเลย แล้วก็ตัามตั้จนแหลกมดแล้วก็เผาจนเป็นขี้เท้าแล้วตั้มอีกแล้วก็เทชิ้เหน่หนอทะเลจะไม่นอ ก, อ, กอย่างนี้ก็ทําไมถรงอุปมาอย่างนี้ทําไมไมาเยอะจังพราะดีก็ปรากฏว่าไอ้ไอเนื้อเยื่อของไม้เนี่ยมันงอกได้เกิดสงสัยขึ้นมาบรรณกรลูกศิษย์เขาเป็นอาจารย์ที่มาแต่เกษตรบอกขอดูหน่อยดิ ไอ้ที่เพาะนุ่ยเยอะเนี่ยมันเป็นยังไงก็เอามาให้ดูอ๋อนิดเดียวนิดเดียวเองเพาะได้ผลแสดงว่าสัพพัญญุตยานี่ยิ่งใหญ่มากไปรู้เรื่องอย่างเนี้ยถึงนันกวิทยาศาสตรเขาเพิ่งเจอพระเจ้าทรงทรงรู้มา ต, ตั้งนานแล้ววัานี้นคามารู้แจ้งโลกนีรู้จริงนะรู้แจ้งโลกจริงๆเงยว่ามาบางเรื่องเนี่ย แล้วทำไมพระเจ้าอุปมาได้พระเจ้าเป็นราชกุมารอยู่ในวงังไม่เคยตีไปเคยเป็นช่างทองไม่เคยเป็นช่างเหล็กไม่เคยเป็นช่างรถไม่เคยเป็นช่างไม้ไม่เคยอะไรเลยแล้วทำไมมาอุปมามือก็บํานาญการในเรื่องเหล่านี้ทีนี้ถะเราสุคิดแล้วแสดงว่าสัพพัญญุตยานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเป็นรู้ทุกอย่างจริงๆ รู้แบบเข้าถึงแบบเข้าใจแบบใจถึงแบบมือถึงเนี่ยแหละคือถึงหมดเลยเพราะ ง, งั้นการอุ ป, ปมานิพานเนี่ยมันจรงบอกว่าคัตปีของไฟคือสถานที่ไปของไฟเนี่ยหรือเสียงนะจะไม่ปรากฏในที่ไหนไหนในทิศทั้งสิบเนี่ยมันดับสนิทโดยหาไปสนทิไม่ได้โดยการดับปัจจัยคือกิเลสกรรมนะฮะอย่างที่บอกว่ากิเลสกรรมเนะี่ย ัลคติของพระคีนาสกเป็นชื่อว่าหลุดพ้นโดยชอบเพราะหลุดพ้นจากอุปาทานจากอาสวะอันนี้ก็ยกขึ้นหม่คำหนึงแต่มีคำอยู่คำหนึ่งนะฮะโดยเหตุคือยายธรรมยาณธรรมนั่นได้แก่อริยมรรคอริยมรรคในที่นี้ก็หมายถึงตั้งแต่น้นนะะเราเข้ากระแสอริยมรรคมาตั้งแต่ดับกิเลสได้ในแต่ลนะขณะ จนว่าคนด่าแล้วเราไม่โกรธเนี่ยเราก็ดับความโกรธได้มันก็เข้ากระแสเรียนมักแล้วเป็นแสดงว่าเรามีสติเรามีขันติเรามีความเพียรเรามีปัญญามันก็เข้าเข้ามักไปได้ทั้งหลายข้อนะฮะเข้ามักไปได้ทั้งหลายข้อเพราะ ง, งั้นท่านก็บอกว่ามันตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ตังทางกับวิบูธไปจนถึงการนู่นน่ยสมุทเฉตวิมุตพิคัมพนับวิบูธวิสนาวิบูธก็ไปเลยก็ โอค่คือการทั้งหลายเนี่ยนะไม่ความว่าโอค่าข้อใดก็าตามเราสังเกตว่าในที่นี้ทรงใช้คําว่าท่านใช้คําว่านะฮะพระอัตถะอาจารย์ท่านใช้คำว่าอุปาทานกับอาสวะแต่ตอนพระเจ้าทรงแสดงเนี่ยทรงใช้คําว่าโอค่ก็คือกันเพราะอย่าไปติดใจกิเลสได้มากอย่าติดใจเชื่อได้มากเกียรติคือกิเลสแหะ คุณจะเรียกมันยังไงก็ได้วันก่อนไปเจอแม่ชีก็าถามซ้ำนะไปบรรยายสองครั้งที่นั้นเขาถามเรื่องบา ร, รมีกับอนุสัยเข้าใจว่าอนุสัยก็คือสิ่งที่เราสะสมไว้ภายในจิตนะทั้งดีทั้งไม่ดีบาไม่ใช่อนุสัยนั่นคือสมุทัยสัตว์ม่ชี่ตรงนี้ก็ได้อนุสัยคือสมุทัยสัตว์บา ร, รมีนั้นคือมรรคสัตว์ เป็นธรรมะตรงเันข้ามเลยหมายความถ้าบา ร, รมีเกิดนุสัยดับดับได้นานได้มากน้อยไม่รู้ตามปริมาณของของฝ่ายบา ร, รมีที่ก็เกิดขึ้นแตนี้พอนุสัยแรงขึ้นเนี่ยบา ร, รมีเองก็ดับมันต่อสู้กันอยู่ภายในจิตเนี่ยแต่ว่าตามปกติเขาไม่เรียกอย่างนี้เครียกอาสวะที่จริงเรียกว่าอาสวะก็ได้นรุสัยก็ได้โยคะก็ได้โอคาก็ได้กันถักก็ได้ะยกชื่อได้ไดไดยดยเยอะเลย อย่าไปติดใจในชื่อเหล่านั้นให้มากเราต้องนึกให้เห็นนะว่าเมื่อพูดถึงโลภะเนี่ยมันไม่ใช่โลภะตัวเดียวมันพร้อมจะเหวี่ยงเป็นโทสะพร้อมจะเหวี่ยงเป็นเป็นโทอ่าเป็นราคะพร้อมจะเหวี่ยงเป็นโมหะนั่นคือกระบวนการทางกิตท้งองฟังเท่ายเสียงทําจากมหาวิทายาลัยศรีปรทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาถึงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลณ์ในธรรม อยู่มีแต่ท่านผู้ฟังางหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี